ก็ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระโพธิยานกำลังนำเสนอองค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาทซึ่งมีลักษณะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่คือเกี่ยวโยงกันแล้วก็เป็นปัจจัยของการแลกกันแต่ในการเรียงนั้นก็จะเรียงไปตามลำดับ แต่ว่าในเชิงความเป็นเหตุปัจจัยแล้วก็กระโดดข้ามลำดับได้จะยกตัวอย่างว่าสุขแสดงว่าตัณหาเเนติปุริสังตัณหายังชนให้เกิดแต่ถ้าเราเรียงลำดับองธรรมเราจะเห็นว่าจากตัณหาก็เป็นอุปาทานอุปาทานก็เป็นพบพบก็เป็นชาติก็หมายความมากระโดดข้ามไปสองข้อได้ แต่ว่าการกระโดดข้ามนั้นหมายความมาละไว้ในฐานที่เข้าใจคือสิ่งเหล่านั้นก็ต้องมีอยู่นั่นแหละถ้าไม่มีในกระบวนการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้ทีนี้เนื่องจากในปฏิจจสมบาทมีองค์ธรรมเมื่อเราจำแนกออกไปแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องกลุ่มของกิเลสกรรมวิบากวิบากมันเป็นผลเฉยๆเพราะเมื่อเป็นผลมันก็เป็นผู้สภาวธรรม เพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดมาจากกิเลสทีนี้ในช่วงผลเนี่ยเขก็เรียงมาจากนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาวิญญาณนะฮะวิญญาณวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาหรือทั้งห้าประการเนี่ยที่จริงก็เป็นสภาวธรรมซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแต่ว่าพอรวมกันแล้วก็คือกลายเป็นชีวิต เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือของบุคคลทั้งหลายยึดถือว่าเป็นของเราบ้างเป็นเราบ้างเป็นตัวเป็นตนของเราบ้างาพรนผู้สนาก็สอนให้มองในแง่ของสภาวธรรมพร้อมได้ทําใจยอมรับความจริงซึ่งมันเป็นกฎของธรรมชาติเราไม่สามารถจะหลีกเดี่ยนหรือว่ากะเกณให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นได้ แต่เราสังเกตว่าปัญหาใหญ่เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการมองผิดพลาดในประเด็นที่เป็นเนื้อหาหลักของเรื่องเหล่นี้ในแง่ของความเป็นจริงแล้วพวกสังขารทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เราอาจจะเรียกว่าสังขารก็ได้หรยอชีวิตก็ได้เรียกว่าอะไรก็ได้นะรือมันเป็นรูปธรรมแต่พูดโดยสรุปก็คือธรรมชาติกับชีวิต ซึ่งก็ตกอยู่ในกฎของประจัยลักแต่เราก็ต่อต้านประจัยลักก็คือคัดค้านปัจจัยลักไม่ยอมรับนะครแต่ในขณะเดียวกันบางทีเราก็อยากอยากจะได้เช่นสมมติว่าความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นหลักของอนิจจตาถ้าเราจะตั้งปัญหาถามว่าเราชอบความเปลี่ยนแปลงไหมมันต้องถามต่อไปว่าอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นอะไร สมมุติว่าจํานวนเงินเราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ชอบแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงลดลงเราก็ไม่ชอบไม่วัยเด็กความเปลี่ยนแปลงของเราเจริญเติบโตผ่านเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวเป็นผู้ใหญ่เราก็ชอบแต่พอเปลี่ยนแปลงขาลงเราก็ไม่ชอบแม้แต่ความแก่ความเจ็บความตายที่เกิดขึ้น อย่าถามว่าเราชอบไหมมันก็ต้องถามว่ามันเกิดขึ้นแก่ใครล่ะให้เราสังเกตว่าถ้าคนที่เราไม่ชอบแก่ๆแ ก, แกเจ็บแก่ตายเราชอบเราดีใจแต่พอเกิดขึ้นแก่คนที่เรารักหรือว่าตัวของเราเองเราไม่ชอบเพรไม่ชอบใ น, นช่วงแก่นั่นแหละคือถ้าเราแก่จากเด็กเพิ่งเกิดมาจนแก่คือเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราก็ชอบตกลงว่าอานิยายอะไรไม่ค่อยได้ฮะ เพราะแตเราศึกษาถึงสภาพความคิดจิตใจแล้วเอาอะไรไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องอารมณ์มันไม่ใช่เรื่องเหตุผลแต่ธรรมะนี่ม่เป็นเรื่องเหตุผลไม่ใช่เรื่องอารมณ์ผลหลักการสำคัญท่านเก่งสอนค่อยๆปรับความเข้าใจของคนไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือภาพรวมโดยนึกถึงว่า ชีวิตเราเนี่ยมนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจากช่วงแก่จากช่วงเกิดจนถึงช่วงตายเนี่ยมันมีการแก่มีการเจ็บมีการพลัดพรากแล้วว่ากนตทมความจริงก็ต่อเนื่องรวมถึงความตายด้วย แ, แสดงว่าเราก็ตายอยู่ทุกขณะส่วนต่างๆเส้นต่างๆในร่างกายของเราก็ตายอยู่ทุกขณะแต่เพราะว่าใจไม่รู้เห็นเงความจริง เราก็เดือดร้อนเมื่อสังขารของเราไม่เป็นไปตามที่เราต้องการให้เป็นแต่เราก็ไม่เดือดร้อนเมื่อสังขารคนอื่นมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติธรรมดาดังนั้นปัญหาข้อเนี้จึงต้องทำใจเยอะพระเจ้าทรงสอนในรูปที่เรียกว่าปิญหาปัจเจเวกันนะเขินึกไว้บ่อยๆคิดไปบ่อยๆ ตอกย้ำจิตใจให้ยอมรับความจริงว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องรัดพากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปตรงนี้ที่จริงก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นตาราอนตาาในกรณีที่เราสั่งก็ไม่ได้เราบงการก็ไม่ได้ อย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะอย่าพลาดพลานะเราสั่งอะไรไม่ได้เจอ๋สักเรื่องเดียวแต่ในขณะเดียวกันความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองมันก็แสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่ว่าเพราะเพราะถ้าเราชอบแล้วเราต้องการเที่ยงถ้าเราไม่ชอบแล้วเราก็ต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแต่อย่างที่บอกว่าอานิยายไม่ค่อยได้ แต่จุดหนึ่งไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงเพราะจุดหนึ่งก็ต้องการเปลี่ยนแปลงมันจึงมีคําพูดที่หลอกตัวเองอยู่เยอะในสังคมมนุษย์นี้จนวรักเธอชั่วนิรันดร์อย่างเงี้ยคือก็เท็จชัดๆเลยแต่ว่าคนก็ชอบชอบคําเท็จในลักษณะนั้นเพราะว่ารักชั่วนิรันดร์เนี่ยมันอยู่ไม่ได้ตัวความรักเองก็ไม่เที่ยงตัวคนที่เรารักเองมันก็ไม่เที่ยงและจะอยู่ชั่วนิรันดร์ได้ยังไง เพราะสังขสังคารทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเพราะท่านจึงสอนให้คิดโดย น, ยนิยามดังกล่าวแล้วพ อ, พอเผชิญหน้าปัญหาขึ้นมาก็ทำใจ ย, ยอมรับความจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องวิญญาณเรื่องนามรูปเรื่องอายธนรเรื่องภัตตะเรื่องเวทนาเวทนานี่ค่อนข้างจะไปเดือดร้อนเขามากเกินไป รู้สึกว่าเราเจ็บเราปวดเราเป็นสุขเราเป็นทุกข์เอาเราก็าไปบวกเยอะเกินไปหน่อยแล้วในที่สุดเราก็เดือดร้อนให้เราสังเกตเวลาเราป่วยเนี่ยถ้าเราทําเฉยๆป่วยก็ป่วยไปแยกกายแยกจิตออกมาจากกายเสียกายมันปว่วยจะให้ใจมันปว่วยมันปวดถึงกับถึงต้องคลางก็ไม่ต้องคลางนั่นหรอกคลางมันเพิ่มปวดขึ้นเฉยๆ เสียพลังงานในร่างกายได้ทั้งไปก็ลองดูที่ตัวปวดดูมันปวดเราก็จะเห็นว่าความปวดเนี่ยมันแสดงความเป็นของไม่เที่ยงให้เห็นปรากฏว่าปวดไม่สม่ำเสมอปวดมากบ้างปวดน้อยบ้างหายไปเป็นระยะระยะบ้างแล้วก็ปวดขึ้นมาใหม่ก็แสดงให้เห็นเนืองนิด จ, จังทุกอั่างหน้าตาเพราะฉะั้นเราจะเห็นว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพระเจ้าสอนให้มองในเวทนา เป็นอารมณ์กรรมฐานนะฮะเวรารานุปัสสนาสติปัฏฐานคือดูตัวตัวสิ่งที่เรากำลังสัมผัสเลยสุก้หยรู้ทุ ก, ก้อยรู้ไม่จะทุกไม่จะสุก้อยรู้แล้วเราเห็นว่าพวกนี้จริงๆมันเกิดจากใจเราไปกำหนดเราไปตีค่าเอาไปรู้สึกเอาเฉยๆทีนี้ถ้าเราคิดว่ามันทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์สุขก็สักแต่ว่าสุข ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขก็สักแต่ว่าไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนาก็สักแต่ ว, ว่าเวทนาใช่ป่ะจิตใจก็จะไม่ไปยึดมัน่นหรือมัน่นรู้จักปล่อยวางรู้จักทำใจตัวเองเรงการทำใจนั้นค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่แล้วคนจะทำใจยอมรับความจริงตรงนี้ไดายา้ยากพระเจ้าจึงส่งสอนว่าเอวังธรรมโมเอวังภาเวเอวังอนัตติโต ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้แล้วก็มาถึงตัณหาตัณหานั้นเป็นกิเลสมันมาจากอวิชชาคือที่จริงก็คื อ, ค, อคือกิ่งของอวิชชานะฮะให้ลองสังเกตว่าความอยากทั้งหลายเนี่ยบางทีเราคุมไว้แค่ความยินดีหรือฉันทะ ยินดีตามมีตา ม, ม, ตามได้เช่นสมมติเราสันโดดเนี่ยเราจะเห็นว่าที่ยิ้มก็ได้เหมือนกันนแต่ว่าจะควบคุมสิ่งที่ตัวเองได้ก็าอาจจะให้มากคนบางสถานะเช่นสมมุติว่าเป็นภิกษุเนี่ยก็ปรารถนาแต่น้อยญาติโยมันจะตักบาตกันเยอะเราก็รับบาดเดียเราก็กลับแล้วนั้นก็แสดงว่าก็คุมความอยากแต่ถามว่าอยากไหมก็อยาก แต่ทีนี้ถ้าความอยากตรงนี้มันคุมได้เนี่ยแล้วก็ฝึกคุมกันแพร่หลายทั่วไปปัญหาเศรษฐกิจปัญหาตัางคปนปัญหาการเมืองที่เรากำลังวิตกกังวลกันอยู่เรื่องน้ำมันน้ำมันอะไรต่ออะไรมันลดไปเ อ, เองโดยธรรมชาติเลยแต่ว่าทำยังไงจะคุ ม, มไดก้กลายเป็นเรื่องใหญ่ละพลักษณะของตัญหาเนี่ยเป็นอาการของโลภะ โทสะแล้วก็โมหะนั่นเองแต่ว่าทาปฏิกริยาต่อจิตค่อนข้างแรงเวลาท่านแปลเนี่ยท่านแปลว่าจิตที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากอยากได้ได้อะไรอ่ะอยากได้วัตถุการมทั้งหลายวัตถุกรรมทั้งหลายคืออะไรก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้นอนแข็ง ก็สรุปว่าอารมณ์ทั้งหลายที่เรากระทบในชีวิตประจำวันเนี่ยทีนี้อารมณ์ในภาษาชาวบ้านที่เราพูดกันโดยทั่วไปนะฮะกับอารมณ์ในกรอบที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเนี่ยภาษาของชาวบ้านมันคลุมไม่ถึงตพรกรอบที่ทรงสแสดงนั้นจะใหญ่มากหมายความว่าสิ่งสัมผัสทั้งหมดแม้แต่จิตสิ่งที่จิตเหนียวนึกตรึ ก, น, กนึกเนี่ยก็เรียกว่าอารมณ์ แต่เราคุ้นๆภาษาธรรมะท่านเรียกว่าธรรมารม์ไอ้ตัวธรรมารมเนี่ยดีก็ได้ไม่ดีก็ได้กลางๆก็ได้สรุปรวมมาเป็นธรรมารมณ์แต่ตัวนอกมันก็เป็นอารมณ์นะฮะตัวรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี่ก็เป็นอารมณ์เวลาเรียกจริงๆเนี่ยท่านเรียกว่ารูปอารมณ์สัทธารมกันทารมรสารมผลตภารมณ์ธรรมารมณ์อารมณ์เหล่านั้นแหละแต่ที่จริงมัก็เป็นเนี่ยที่มันเป็น เราจะเกิดหรือไม่เกิดเราจะอยู่หรือไม่อยู่เราจะไปหรือไม่ไปมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยของมันแต่ที่มีปัญหาคือเราเอาใจเข้าไปเกาะไปจับไปยึดไปปลูกพันธุ์เอาไว้แล้วก็ทำให้อาการของตันหามันก็เกิดขึ้นตามปกติแล้วตันหานี่เขามักอยากกระซิบใจท่านเรียกว่าชับปาคือกระซิบใจ รูปนี้สวยนะเสียงนี้ไพเราะนะกลิ่นนี้หอมนะรสเนี้ยอร่อยนะสัมผัสนี้น่าจับต้องนะชักยุ่งนะแหละแต่แกแ ก, กสิบ่อยๆคือตามปกติแล้วแก่มาคล้ายๆมิดเนี่ยที่มันยุ่งอีตอนเนี้ยผู้อาการกิเลสเนี่ยแก่มาแบบมิตรคือเรารู้สึกว่าได้อ่ะรู้สึกว่าเรามีสุข ร, รู้สึกว่าได้เราเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วแกก็บังคับเสือกใสผลักใส่เรา จนถึงก็ต้องทําทุจริตด้วยแรงควาตัณหาเนี่ยทําให้ทําทุจริตได้เพราะแกร่ย้อมใจจนดิ้นรนสูญเสียการทรงตัวมันก็ทรงแสดงลักษณะความตัณหาที่สังเกตเอาไว้ว่ามันไม่มีจุดจบที่เรียกว่าโปโนพาวิกาขอให้เกิดความมีความเป็นอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้โ น, น้นก็พรั่นคล้ายๆกับลิงที่วิ่งไปในป่าเนี่ย มันจับแล้วก็วางจับแล้วก็วางไปเรื่อยๆและในที่สุดก็ไปยึดติดในสิ่งเหล่านั้นด้วยอำนาจของตันหาที่เรียกบาลีดันชากัมำวาเอตังมะม ะ, มะนั้นเป็นของเราพระตถาจารย์ท่านเล่าถึงนกชนิดหนึ่งก็ยังนึกว่าท่านเรียกว่านกไมฮักกะนกนี่มันชื่อนกไมฮักกะ คำว่าบรรยากะนั้นถ้าแปลแล้วก็คือของฉันของเราของกูอย่างหลวงพ่อพุทธทาสแปลเป็นของกูแล้วเราก็นึกว่านกเขาคือนกนี้มันจะชื่ออะไรไม่รู้แหละคือว่ามันจะเป็นนกอะไรก็ไม่รู้บ้านเราเนี่ยแต่ว่าบาลีเนี่ยถ้าเรียกว่านกไรรยากะเป็นการแสดงถึงสภาพจิตใจของคน ไปจับตรงนั้นเกาของเราตรงนั้นเกาของเราของเราของเราแล้วก็บินไปเรื่อยๆนะแกก็ว่าของแกอยู่เรื่อยๆตกลงว่าเอาข้อจริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าของแกก็ไม่ใช่ของแกเพราะตัวแกเองก็ไม่ใช่ตัวแกแต่สิ่งที่แกวิคิดว่าของแกเนี่ยจะเป็นของแกได้อย่างไงท่านจึงเรียกว่านกอนุษย์เนี่ยทำตัวเหมือนนกไมหก้หะกกะบินแล้วก็ไปจับเกาะในที่ต่างๆ คื อ, อยังนึกถึงสภาพอย่างหนึ่งในพระศาสนาเนี่ยอย่างสมมติว่าสมพานเกิดตายลงมณภาพลงใ น, ในวัดใดวัดหนึ่งเนี่ยคือถ้าเรามององค์รวมของความเป็นศาสนาเรามองวัดเป็นศาสนาสมบัติมันน่าจะมีการจัดโยกพระไปมาได้นะโยกข้ามจังหวัดมาได้โยกข้ามภาคมาได้ เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมแก่การที่จะบริหารวัดได้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นแต่เวลานี้เราอยู่จนเป็นของกูไปหมดเลยเปิดพระวัดหนึ่งตายก็ต้องพลาในวัดนั้นเท่านั้นจะมาเป็นต้งผ่านพระมาจะอื่นไม่ได้ข้ามห้วยไม่ได้ก็นึกเสียดายวัดบางวัดนะว่าแม้วัดเนี้ถ้าหากว่าพระมีความรู้ความสามารถมันน่าจะพัฒนาอะไรไปได้เยอะเลย แต่ลูกหม้อมันไม่มีถ้าเอาต้องเอามาจากที่อื่นทีนี้ปัญหาว่าการมองเนี่ยที่ยุ่งเวลาเนี้ยคือมองเนี่ยเรามองวัดเป็นสมบัติส่วนตัวแล้วก็ส่วนมากจะสืบต่อเห็นว่าอุปชาเป็นสมพาน ต่อมาคนรุ่นต่อไปก็ต้องเป็นสัติบริกของสมพานนั่นเองจะเป็นสมพานแล้วก็ต่อไปอย่างนี้ฮนะกลายเป็นเหมือนกระสืบสันติวงศ์เป็นเรื่องตลกมากเลยฮะไม่รู้ออกมาจากไหนมันไม่ได้มีในพระพุทธศาสนาแล้วก็ทาให้วัดเนี่ยมันสุดเตยอ บ, บางทีเนี่ยถามมาตรงนี้เปลี่ยนคนได้ไมล่ะเอาคนมาจากที่อื่นเสียวางคนให้เหมาะสม อาจจะเป็นสิบเก่าวัดนั้งก็ได้เดี๋ยไปอยู่ในที่อื่นมาหรืออาจจะเป็นพระพระก็แล้วกันนะเอาและธรรมยุทธมันมีธรรมยุทธมีมาในกายก็พระในวัดธรรมยุทธนะั่นแหะเอามาจากส่วนใดของประเทศก็ได้วางคนให้เหมาะสมแก่งงานแล้วคนก็ต้องรู้จักประมาณตัวเองอย่างสมมุติรวัดในกรุงเทพอย่างเงี้ยเวลานี้มันโลกมันก้าวหน้าไปเยอะแล้ว่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปเยอะแล้ว มันจะต้องเอาพระที่เป็นนักวิจการนักการศึกษามีวาสนาบารมีนะหรือไม่งั้นก็มีการบริหารจัด ก, การในรูปของผู้ช่วยรับผิดชอบหรือรองเจ้าวาดที่รับผิดชอบเนี่ยเป็น ค, คา้ายฝ่ายคือมองความเจริญของาศาสนาไม่ได้มองว่าคนของเราจะได้เป็นอะไรลูกน้อ ง, องเราจะได้เป็นหรือเปล่าเศรษฐีบริษัทขเราจะได้เป็นหรือเปล่า มันก็กลายเป็นของกูของกูแบบนกไม้หกักอะเจ้าประวัติของกูไอ้ น, นั่นกัของกูไอ้ น, นั่นกัของกูที่จริงพระเนี่ยมันเป็นอาศัยที่ชัดเจนนะอย่างอาตมาเนี่ยอาศั ย, ยโยวาตวรนสามสิบกว่าปียังนึกถึงท่านธรรมสาโรจ่ำนะท่านเจ้าคุณราชบัณฑิตตอนท่านอายุท่านพันษาท่านห้าสิบปีเนี่ยท่านเอกว่าหลงวัดบวรอยู่ห้าสิบปี ท่าว่าผู้ที่เห็นว่าท่านอาศัยท่านมาอาศัยวัดเฉยๆพรามบัตะเป็นสมบัติของศ า, ศาสนาหรือแม้ปัญหาตัวนี้ปัญหาตันหาตัวนี้นิดเดียวยุ่งอ่ะหรือแม้แต่ระบบราชการระ บ, บราชการอย่างอย่างอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเวเนียความเจริญก้าวหน้าในบ้านเมืองมันเยอะแล้วแพทย์ก็ดีนะฮะการศึกษาก็ดี ทำไมจะต้องไปบริหารนะมันเป็นเทคนิคนะฮะเป็นเทคนิคในการรักษาโรคไม่ใช่เทคนิคในการบริหารครูก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันไปเป็นผู้บริหารนั้นทำลายบุคลากรบุคลากรเขงแผ่นดินที่อเขาลงทุนมาเพื่อดาเนินงานทางด้านการศึกษาแล้วมาบริหารก็น่าจะได้วิชาความรู้ที่เรียนมาแทนที่จะได้ถ่ายทอดให้แกเยาวยชน แล้วพอมาอยู่บริหารบริหารต้องนักบริหารสิคนต้องเรียนมาเพื่อบริหารโดยเฉพาะที่เขาเรียกว่ามืออาชีพคนนี้ยบริหารอะไรก็ได้แล้วเขาก็เรียนมาโดยเฉพาะคือสร้างศาสตร์เรียนมาโดยเฉพาะเลยอย่างเวียนี้โรงพยาบาลเอกชนในที่บางแห่งเราก็รู้ข่าวว่าปรากฏว่าผู้มือการโรงพยาบาลไม่รู้เรื่องแพทย์เลยไม่มีความรู้ทางแพทย์เลยนั้นแสดงว่าถูกต้องคุณไม่ใจ เขาไม่ได้จ้างคุณมาให้รักษาโรคก็จ้างคุณมาบริหารองค์กรคุณก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถในทางการบริหารองค์กรางานงานบุคคลอย่างเนี้ยแล้วมีแพทย์ที่บางทีมีขีดมือดีๆเนะหายากนะแพทย์ขวดมือดีๆนี่อาจารย์ขวดมือดีๆเนี่ยต่อหายากแล้วท่านเหล่านั้นมาบริหารเสิเอะ อ, อนุชนของชาติหรือว่าคนป่วยที่ควรจะได้ประโยชน์จากแพทย์ อนุชนของชาติที่ควรจะได้ประโยชน์จากอาจารย์เร่องมีความรู้ความรอบรู้ความสามารถตรงนั้นมันก็เลยไม่ไม่ได้ประโยชน์นี้มันเกิดจากอะไรเกิดมาจากอาศัยตันหาที่สะสมอยู่มากเนี่ยแล้วมันกลายเป็นอุปาทานเห็มไหมจากการมาตันหามันกลายเป็นการมุปาทานคือยึดติดเป็นของเราเขาเขาเล่านะคือเรื่องต่างๆในคมภีรพระพุทธศาสนาได้มีเป็นอันมาก เราพบว่าสมภารเจ้าวัดเนี่ยตายไปเกิดเป็นเป็นเปรตบ้างเป็นปู่โสมอยู่บ้างอ เ, เป็นปู่โสมเข้าวัดอ่ยเพราะท่านอยู่จนมันไปอินกับไอ้บทบาทการเป็นสมภารจนนึกว่าวัดของท่านเนี่ยถ้าท่านย้อนกลับไปเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านเป็นคนอาศัยวัดคนหนึ่งแต่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเปิดใจให้ว้าง ใครก็ได้ที่สามารถจะบริหารดำเนินงานให้วัดที่มีความเจริญก้าวหนะ้าแต่เรื่องเรื่องตำแหน่งเจ้าวาดเนี่ยเป็นพระเราก็ให้เป็นพร ะ, ก, พระก็แล้วกันแต่มาเองยังมองถึงว่าตำแหน่งต่างๆเนี่ยยกเว้นสมภารนะนะเพราค่อนข้างจะหายาก คือน่าจะสับเปลี่ยนกันแล้วก็แบ่งงานกันทำพระเวละเนี่ยพระเราจะอยู่ในรูปแบบเดิมเนี่ยจะอยู่ยากบิดบังสังสวดเนี่ยจะอยู่ยากคนรุ่นใหม่เขานึกไม่ออกมาได้ประโยชน์อะไรการที่มีพระไว้สมับ บ, บินนบาดแล้วก็บิดบังสังสวนเนี่ยเาเรียกบิดบังสังส่วน บินก็คือบินบาทฮะบังก็คือบังสกุลสังก็คือสวดอภิธรรมแล้วก็สวดก็คือสวมดมนแต่เคยพบผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นระดับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะฮะมันบอกว่าเราสร้างพระสวดแล้วก็พระเสกพระสร้าง มากไปเราไม่ได้คอยสร้างพระสอนดังนั้นก็คือมันอาจจะไม่ถูกต้องสมบูรณ์เท่าไหร่หรอกแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเพราะอะไรเพราะว่าเซกก็ดีสร้างก็ดีเนี่ยตลอดถึงสวดก็ดีเนี่ยแต่ในสุดมันจะก่อให้เกิดการยึดติดกลายเป็นตันหากลายเป็นอุปาทานทยึดติด บางครั้งก็หลงตัวเองไปเลยในที่สุดฉันคือวัดวัดก็คือฉันฉันคือรัฐรัฐก็คือฉันเห็นนะมันก็ขึ้นไปอย่างนี้ฮะเป็นอาการของเวทนาตนาวปาทานพบนะเป็นกระบวนการตัวเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าชีวิตเรามันก็อยู่ในกระบวนการของอริยสัจของปฏิจจสมบัติอของอริยสัจเพียงแต่ว่า ล้วศึกษาหาความเข้าใจว่าตรงไหนมันเป็นอะไรแล้วก็ปรับท่าทียังไงจึงจะได้ประโยชน์จากปฏิจจสมบาทแต่ละข้อทั้งฟังทงั้งหลายแต่วพระโหทยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจะงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี